Book 2 75 75สเหตุผลบางประการ Memberi a l a s a n ั a ว์ทำไมคุณไม่มาคะ e n a p a anda tidak datang? อากาศแย่มากจ nya sangat บุรดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก saya tidak datang karena จ nya sangat บุรุกทำไมเขาถึงไม่มาคะ kenapa dia tidak datang เขาไม่ได้รับเชิญเ i a t i ่ a า diundang เิขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ dia tidak datang karena ด i a tidak d i u n d a ่ g ทเาไมคุดัดดเขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ a t a n g พเชิญเขารดัด่ดัดดดดไมไม่มา้าขับ่ ดิฉันไม่มีเวลา Saya t ่ d a k punya waktu ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา saya tidak datang karena saya tidak punya w a k t ีทวาไมุ่ณไม่อยูฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา่ะคะ Kenapa kamu t i ไม k tinggal ไม่ a ่่ละะ ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ saya masih harus bekerja ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ saya tidak tinggal karena saya masih harus bekerja ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ kenapa anda segera pergi? ดิฉันเหนื่อยค่ะสาย a าเลยล่ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ saya p e r g า k เ r e n a saya lelah จะนองาคุณ่ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ k น n a p a a า d a h a r หา s ื e อย i ดึกแล้วค่ะ karena นี้ sudah terlalu larut ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ saya pergi karena ini sudah terlalu larut กรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด